สวัสดียามบ่ายเดี๋ยวนี้กระถินหนึ่งเดือนหลังจากออกวันษาแล้วเป็นเทศากาลกระถินแต่เขาทอดกันแค่วันเดียวคือวันอาทิตย์งานกระถินเนี่ยนี่ไม่ใช่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่ามาสนับสนุนนายยมเป็นเจ้าภาพนะ แต่ว่ามันเป็นบุญของพระเป็นบุญที่แปลกแปลกตรงไหนก็ะถินรู้ไหมผู้ทำเนี่ยคือเจ้าภาพเนี่ยทำเพื่อให้ผู้อื่นได้อานิสงกระถินนะผู้ให้ต้องการให้ผู้รับมีอานิสงมันเป็นการถวายที่แปลกมีเรื่องแปลกแปลกของการกระถินเยอะ เวลาก็แปลกไม่เหมือนเขาวัตถุทานก็แปลกไม่เหมือนเขาเออผู้ให้ก็แปลกผู้รับก็แปลกแปลกไปหมดอานิสงส์ก็แปลกกฐินเห็นอย่างสี่แปลกควรทำยังอ่ะ <laughs> ผู้ให้ที่ว่าแปลกก็คือว่าอะไรผู้ให้ที่แปลกเนี่ยผู้ให้ที่แปลกว่ากาเลตันยุสะปัญญาวทัฒนยูวีตมะชราผู้ให้นั่นจะต้องเป็นคนฉลาดพอสมควรนเรื่องกระถิ่นเนี่ย ว่าธัยูแล้วต้องเป็นคนที่ฉลาดพองควรวีตมัชร า, าเป็นคนที่มุ่งมั่นในการกำจัดความเจราญนี<ม>แล้วก็<ม>เวลาก็แปลกบุญอื่นเนี่ยทำกันไปเยอะแต่กระถินนี่แค่เดือนเดียวเวลาแปลกผู้รับก็แปลกคือเฉพาะพระที่ อยู่จำพรรษาในวัดนั้นครบสามเดือนนะขาดสามเดือนก็ไม่ได้จำบรรษาอยู่ที่วัดนั้นสองเดือนแล้วไปค้างแรมที่อื่นจะสิบคืนเวลากลับมารับกระถินไม่ได้ต้องรับอยู่ในปรรษาจำพรรษาอยู่วัดนั้นสามเดือนถึงจะรับกระถินได้จำนวนของผู้รับก็ต้องมี 5รูปขึ้นไปสี่รูปขึ้นไปสี่รูปพอได้แล้วก็แปลกไ้กว่านั้นก็คือว่าผู้ถวายเนี่ยปรารถนาที่จะให้ผู้รับได้อานิสงส์ปกติเราทำทานทำบุญอย่างอื่นใช่ไหม อา น, นิสงเกิดกับตัวเองแต่กฐินไม่ใชนะ่นะอานิสงเกิดกับพระอา น, นิสงเกิดกับพระเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอออกกฐินออกออกอา น, นิสงแล้วเนี่ ย, ยไปอ่านเอาเองดีกว่าคือพระที่ได้รับกฐินแล้วจะได้อานิสง เพิ่มขึ้นในเรื่องการปฏิบัติในทางพระวินัยเช่นไปค้างแรมที่ไหนก็ไม่ต้องบอกลาฉันอาหารเป็นร่วมวงกันได้ น, นั่นแหะห้าข้อเป็นเรื่องราวทางพระวินัยอา น, นิสงส์จะเกิดอยู่กับพระไอยโยมได้อานิสงส์งด้วยอา น, นิสงส์ด้วยไหม โอ้ได้ได้เยอะเหมือนกันคนตัวนีวว้ข้อสําคัญที่สุดก็คือการได้สืบ อ, อายุของพระศาสนาสืบ อ, อายุของพระศาสนาถ้าตราบใดที่ยังมีกรถินกรถินกรถินกระถิ ก, ะถ ก, ะถกันอยู่เนี่ยธรณพุทธยังอยู่นะถ้าคือมันมีพระอยู่ถ้ากรินหายไปนั่นหมายความว่าพระหายไปหมดแล้วไม่มีกระถินแล้ว ถ้าไม่มีกฐินไม่มีพระไม่มีพระก็ไม่มีผู้สืบอายุพระไม่มีการสืบทรงพระศาสนาแล้วเลอแต่ญาติโยมขึ้นมาเป็นเจ้าสำนักกันเองไงทีนี้ฮะนี <laughs> ่อยู่เมือเป็นเจ้าสานักกันเองไม่ได้ท่า น, นเรียกว่าได้สืบอายุพระศาสนามีอันนี้สงแปลกๆของกฐินเนี่ยเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อก่อนนี้รักเทศทีดาเข็มทองอืม เคด้ยินแ้นะที่พิดาเข็มทองไม่ต้องเล่าต่อแต่รวมฟาร์มก็คือบุญเมื่อถึงเทศกาลภาคถินเนี่ยโยมก็ถือโอกาสคือในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนหาโอกาสที่จะทำบุญจะได้ทำบุญสักทีหนึ่งต้องไปขออนุญาตพระพุทธเจ้านะแต่ละโอกาสแต่ละโอกาสเนี่ยทรงอนุญาตมาให้ทําันทั้ ง, ท, งทั้งนั้นนะ พอถึงวาระสําคัญนําคัญเช่นเข้าพรรษาก็เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของโยม <c oughs> เรื่องของพระเข้าพรรษาออกพรรษาเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของโยมแต่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้โยมได้ทําบุญในเทศกาลนี้นั้นนักบุญเนี่ยก็จะถือโอกาสในในวาระพิเศษพิเศษเช่นี้ก็จะถือโอกาสในการทําบุญ เรียกว่าจะได้บุญมากแต่คนก็จะได้บุญมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชัดเจนในบุญที่ตัวเองทำนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทำมากได้มากหรือทำน้อยได้น้อยในเรื่องของบุญนี่เป็นเรื่องแปลกและเป็นปนลไกัยทางจิตที่เข้าร่วมกับการกระทา อย่างถูกต้องแล้วก็เกิดผลเกิดผลใ้เกิดคำว่าบุญคำว่าบุญเนี่ยได้ถ้าไม่ถูกต้องกลไกของบุญเนี่ยไม่ไม่สานต่อบุญที่ทำก็จะไม่สะสมขึ้นที่จิตพระพุเจ้าว่าปุญญเจปุริโสกริราบุญบุคคลต้องทำบุญกริยาเถนังปุณัปปุนังบุญนั้นต้องทำบ่อย ต่มีฉันทั้งยิราฐะต้องทำความต้องมีชันทะในบุญที่ตนทำด้วยสุโขปุญญสะอุตโยเพราะการสะสมบุญนำสุขมาให้พิจารณาดนะูคาสอนนี้บทสุดท้ายว่าสุโขปุญญสัอุจโยการสะสมบุญนำสุขมาให้การสะสมคืออะไรเราไปมองที่ผลของมันอย่างเดียวเราไปมองทีที่ทำ ปีนี้ได้กี่วัด9วัดโอยของเราปีที่แล้วได้15วัดปีนี้เพิ่งได้10วัดเองขาดอีก5วัดยังหาที่ลงไม่ได้ก็พยายามพาตัวเองวิ่งกระจอยไปยิ่งเดี๋ยวนี้เขามีมีบุญออนไลน์บุญออนไลน์ตามเพจต่างๆก็จะโชว์เลขบัญชีไว้ ก็ on, โอนด้วยแอปพลิเคชันของแบงค์ใช่ไหมโอนเข้าไปก็บางบางคนก็50บาท100บาท50บาทนี่เยอะแล้วก็100บาทก็ได้เลย10วัดยี่วัดโอนเข้าไปโอนเข้าไปมันไม่หายนี่มันเข้าบางทีและโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้วัด ที่เปิดเป็นคิวอาโค้ดอ่ะอืมจะมีใบอนุบุตนาบัตรเรียกว่าใบาอนุบุตนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแบงจะเป็นคนส่งกลับมาให้ผู้บริจาคทางอีเมลสามารถนําไปเสียภาษีก้นได้ไม่ต้องไปขอใบใบอนุบุตร น, นาบัตรจากวัดอย่างนี้ก็ยิ่งสบายใหญ่และใบอนุบุตนาบัตรนี้เชื่อมกับกรมสรรพกรมีมีเลขที่มีรายเรียบร้อย หักภาษีได้หมดก็สะดวกอนนี้ก็อย่างนี้ก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยสบายใจแล้วได้ครบสิบห้าวัดสบายใจแล้วได้ครบ9กวัดความรวดเร็วของการกระทำพวกเนี้บางทีมันก็ส่งผลเสียคือความเจตนาของเราที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระทำนั้น่ะมันบางเกินไป ม, มวลแห่งเจตนาน้อยเกินไป ไม่พอที่จะทําให้เกิดการสะสมซึ่งบุญนั้นได้อันพระพุทธเจ้าจุดตรัสไม่ชัดเจนว่าตามหิฉันทงกัยิราถต้องมีฉันทะในบุญนั้นไอตัวที่สะสมบุญที่แท้จริงคืออะไรคือฉันทะนนัต้องมีฉันทะในบุญที่ตัวทำถ้าไม่มีฉันทะจะไม่สามารถสะสมที่ใจได้ แต่ฉันทะจะเกิดยังไงจะเกิดก็คือความบริสุทธิ์ใจสามวาระตัวที่จะมิสุจฉันทะคือความบริสุทธิ์ใจความผ่องใสของใจสามวาระหนึ่งปุ ป, ปะเจตนาก่อนที่จะให้ตั้งแต่เริ่มคิดที่จะทำแล้ว ม, มีความบริสุทธิ์ใจโดยหนึ่ง ทานที่ตนเองนาจะนามาถวายนั้นก็เป็นทานที่อยู่ในสิทธิการครอบครองของตนเรียกว่าเป็นทรัพย์สินของเราพิจารณาผ่านมัณสิการเรียบร้อยว่าเป็นทรัพย์สินของเราที่จะนำเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาร่วมผ่านการวิธีการทำกฐินทอดปลาปาหรืออะไรก็ช่างแล้วพิจารณาไปนี่เนี่ยไม่มีความตรรย์เข้ามา ทำลายความเศร้าหมองเอ้ยทำลายความพองใสของฐานให้มันเกิดความเศร้าหมองขึ้นไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแล้วไม่มีปัญหาเรื่องอื่นใดเข้ามาทำลายเจตนานี้ได้แค่คิดขึ้นมามันก็รู้สึกมีความสุขแช่มชื่นสบายอกสบายใจตัวนี้เป็นตัวฐานของฉันทะหลังจากนั้นถึงเวลาที่จะทำเรียกว่าจากาเจตนา เป็นเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำในขณะที่จ่ายตังในขณะที่นั้นะโห้ยมันมีมันมีความสันทะมีความผ่องใสเกิดขึ้นต่อมาก็คืออัปปราปรเจตนาเจตนาหลังจากที่ทำแล้วคือบริจาคไปแล้วจบไปแล้วงานผ่านไปแล้วยังคงมีความบริสุทธิ์ใจ ยังปราศจากความเครือบแคลงสงสัยยังปราศจากความจะหนียังมีความมุ่งมั่นอยู่กับความผองใสของจิตมีความใคร่เรียกว่าฉันทะในฐานที่ตนตําอยู่สมบลงเบิ่และฉันทะจะละมาราเลี้ยงเราได้อย่างไรให้สะสมอยู่เนี้ยยิ่งสะสมหนักขึ้นไปคือระลึกถึงอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ให้ยุดติดแต่ให้ระลึกถึงอยู่เรื่อยๆ วิธีที่ดีที่สุดให้เราระลึกถึงตัวบุญเพื่อให้เกิดจันทะคืออะไรคือการอุทิตบุญเข้าใจไหมคือการอุทิตบุญบุญเราทําเป็นวันนี้ปีนี้เราทํากระถินวัดเดียวก็จริงอ่ะแต่เราอุทิตได้เกือบทุกวันเวลาเราจะอุทิตเราก็ระลึกถึงโอระลึกถึงบุญที่เราทําระลึกถึงบุญที่เราทําระลึกถึงบุญที่เราทำแล้วเราอุทิตไปให้ใครให้ใครให้ใครว่าไปยิ่งเราอุทิตเท่าไหร่ บ er ุญก็จะมีกำลังแรงขึ้นเพราะเขาจะสะสมอยู Frankly ่ที่ใจของเราด้วยกำลังของฉันทะที่เราไปรลึกถึงตัวบุญอย่างบริสุทธิ์ใจเราทำอย่างนี้บ่อยๆกำลังของบุญของเราก็จะตั้งขึ้นที่ใจของเรามากขึ้นกำลังของบุญนี่แปลกถ้าเขาตั้งขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะต้านอกุศลได้ถ้าเราระลึกถึงบ่อยๆระลึกถึงบ่อยๆกำลังของบุญมีความเพิ่มขึ้นเนี่ย อกุศลบางตัวเช่นอกุศนลวิตกบางประการที่เคยเกิดขึ้นที่ใจแล้วเราไม่รู้สึกถึงเขาอะในขณะที่ใจเรากําลังอินอยู่กับบุญกํากลังอิ่มอยู่กับบุญกํากลังรู้สึกแบบสดชื่นอยู่กับบุญแล้วมันเกิดความเป็นอกุศลขึ้นมามันจะรู้สึกต้านอากุศล น, นั้นอกุศลจะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาในจิตที่กําลังพองใสยอยู่ด้วยกําลังของบุญ มันเป็นไปโดยบริยายแล้วตัวที่ต้านอากุศลตัวนี้จะก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดฮิริโอตาปะฮิริก็จะเกิดความละอายขึ้นมาว่าทำไมความชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ช่างน่าละอายจริงๆมีความรังเกียจในอากุศลที่เกิดขึ้นมาในขณะนั้นทำให้กาลังของอกุศลที่เกิดนั้น หดน้อยถอยเบาบางลงไปจากสันดานของเราแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเพราะนั้นผู้ที่ทำบุญอย่างถูกวิธีสะสมบุญไปอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละคือที่มาของความสุขคนทำบุญในลักษณะเช่นนี้สะสมบุญอย่างนี้เขาได้รับความสุขแน่ หนึ่งสุขเติดจากการมีทรัพย์สุขเตเกิดจากการมีทรัพย์เนี่ยเขาจะไม่หาทรัพย์ที่เป็นทุจริตเขาจะหาทรัพย์ที่สุจริตและเมื่อทรัพย์นั้นที่เขามีแล้วเขาจะใช้จ่ายทรัพย์อย่างฉลาดเขาก็เกิดความสุขจากการมีทรัพย์สองสุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคนั่นนะการบริโภคทรัพย์ของเขา เขาก็จะมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ประกอบประกาประกอบการงานที่ปราศจากโทษไอ้นี่เป็นเป็นสุขเบื้องต้นของคนทำบุญแล้วก็จะชานฉลาดพอมีทรัพย์เนี่ยจะมันจะมาเลยว่าอะไรก่อนอะไรหลังควรอะไรไม่ควรมาก่อนเลยอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ ผู้เป็นบุญเป็นนักบุญเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะใช้เจ้าใช้สอยทรัพย์อย่างไรท่านว่าประโยชน์เกิดแต่การถือพระกษับคือเรามีทรัพย์แล้วเนี่ยประโยชน์เกิดแต่การถือพระกษัพห้าประการหนึ่งเรื่องตัวมารดาบิดาบุตรภรยาบ่าวไพร่เป็นสุขน่คนมีบุญนะคนมีบุญจะต้องนึกถึงตัวเองบุตรภรยาบ่าวไพร่ เรื่องราวของคนในครอบครัวก่อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่นึกเรื่องนี้ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีความสุขคุณจะไปสะสมยังไงยังไงตราบใดที่เรายังอยู่ในครอบครัวเราจะไม่มีวันมีความสุขงั้นพรเจ้าสอนนะทรัพย์ที่เราหาได้เมื่อถือครองแล้วหนึ่ง ต้องเลี้ยงตัวมารดาตัวตัวเองนะเลี้ยงตัวเองมารดาบิดาบุตรภรรยาเบาพราย่ยง่ายเป็นสุขนี่หมายความว่าเรื่องของการดูแลตัวเองและครอบครัวอย่าให้เป็นปัญหาในเรื่องของการใช้ใจ่ยทซับจากนั้นจึงขยับออกไปเพื่อนฝูงนี่คือภาคของสังคมดูแลเพื่อนฝูงให้เป็นสุขคือเพื่อนฝูงเดือดร้อนเพื่อนเราเดือดร้อนกัดสงอะไรเนี่ย เราพอช่วยได้บรรเทาความทุกข์ยากลำบากของเขาช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยเนี่ยบรรเทาเพื่อนฝูงให้เป็นสุขข้อที่สามบำบัดอันตราย อ, อ, อันเกิดจากเหตุต่างๆบำบัดอันตรายเกิดจากเหตุต่างๆพอ ม, มีทราบแล้วเนี่ยนอกจากดูแลตัวเองบุปรปรัญญาเบาพราครอบครัวให้เป็นสุขแล้วดูแลเพื่อนฝูงแล้ว ต้องดูแลเรื่องการป้องกันอันตรายอันเกิดกับตัวเองและครอบครัวเช่นว่าบ้านอยู่ในที่เปลี่ยวอาจจะติดกล้องวงจรปิดนี่เรื่องเป็นการใช้จา่ายที่ถูกต้องนะอยู่ในข้อที่ว่าบำบัดอันตรายก็แล้วแต่ต่างคนต่างเจอกันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้บำบัดอันตรายจะเกิดยังไงถ้าไม่บำบัดอันตรายแต่เหตุต่างๆหลงบุญ มัแต่จะเอาเงินไปทุ่มที่นนทุ่มที่นี้ไม่ใส่ใจอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเล็กคนในครอบครัวเป็นความประมาทที่น่าสังเวชเช่นว่าระยะทางเปลี่ยวจากปากซอยมาถึงบ้านลูกตัวเองเป็นเป็นสาวสาวอยู่เนี่ยลงจากรถปากซอยเสร็จต้องเดินก็มาเปี่ยวเปลี่ยวยงั้นเอ๊ก็ปล่อยอย่างงั้น แต่ตัวเองเอาเงินไปทําบุญที่น่นที่นี่นที่แทนที่จะไปซื้อจกอักรยานเนีมั น, น, นออโมโโสักคันหนึ่งหรือซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งพอได้เวลาเสร็จก็ออกไปรับหรือลงทุนซื้อโทรศัพท์ให้มันถือสักเครื่องหนึ่งเราเครื่องเราไม่รู้อะแล้วพอถึงเวลามันยืนรอตรงนั้นเราขี่โมโโเอเตอร์ไซค์ออกไปรับอะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีการบําบัดอันตรายที่เราจะต้องใช้ทัพพวกนี้ให้ถูกกับยุค ก, กับสมัยบําบัดอันตรายที่เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆจากนั้น ให้ทำพรีห้าอย่างคืออะไรมัง่งญาติพรีทีนี้ต้องหันไปสงเคราะห์ญาติบ้างเออไม่ใช่ว่าเราจะดีอยู่แต่ตัวคนเดียวที่ไหนเราไม่ได้มาคนเดียวนี่มันมามันเป็นกลุ่มเป็นกลุม่มเป็นคณะเป็นกระโยงออต้องสงเคราะห์ญาติทำพรีห้าอย่างนะห้าอย่างเป็นว่าหนึ่งก็ญาติพรีสงเคราะห์ญาติ ขออติติภพีต้อนรับแขกต้องมีส่วนหนึ่งแล้วไว้ตอนนี้คือการใช้ใจ่ายทรัพย์นะพอบุปเพทา บ, บรีทําบุญดูทิศให้ผู้ตายพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เขาตายไปแล้วเพื่อเพือนขวงญาติพี่น้องที่เขาตายไปแล้วก็ให้เขาได้มั่งอันนี้ก็ทำให้บ่อยๆหน่อยอ น, นี่ไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นพระแต่ก็จะต้องมายุค ย, ยมทำบุญไม่ใช่นะพระเจ้าสอนไว้แต่มันอยู่ในข้อไหนเนี่ยมาข้อหลังๆเลยนะ บุเพเพตตาีเนี่ยทำบุรุษที่ย์กยและก็เทวตาพีทําบุรุษทิพย์ให้เทวดาเออหต่อมาก็เป็นราชพีถวายเป็นหลวงคือเสียภาษีอากรยากงภาษีเสียภาษีอากรต่อมาอีกจึงจะบริจาคทาน ในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤกชอบดูสิบริจาคทานในสมณพราหมณ์ผู้ชอบอยู่ข้อสุดท้ายอยู่ในข้อสุดท้ายถ้าคุณมีเงินอยู่หส่วนต้องแบ่งให้ได้6ส่วนส่วนสุดท้ายนะ่ะอยู่ในอัตราทวนที่จะมาบริจาคให้กับสมณพราหมณ์ผู้ประพฤกชอบ ถ้ามีคนยังหกบาทเอาหบาทมาถ้าไหวพระเช่าหมดไปไงฮะด้วยหวังที่จะให้ตัวเดงได้อ น, นิสงส์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะนาจเรียกว่าหลงบุญไม่ใช่บุญของพวกที่มีสัมมาทิฏฐิเราเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นลูกพระพูทธเจ้าต้องเชี่ยวชาญฉลาดในคาที่พระองค์สอนพระพเจ้าไม่สอนให้ให้าศาสนิกของพระองค์โง่นะ่ะ สอนให้ฉลาดสอนให้อยู่ได้แบบสบายให้สบายที่สุดทุกน้อยที่สุดจนกระทึ่งทั้งว่าไม่มีทุกข์ น, นั่นคือเรื่องทรัพย์ที่เราจะนำมาทำบุญบุญเหล่านี้จะเกิดขึ้นและยิ่งเราได้บุญอย่างนี้เกิดขึ้นความชานฉลาดของเราก็จะเกิดขึ้นใ <c oughs> น, นเรื่องการใช้ใจ่ายทรัพย์ทรัพย์ที่จะทำบุญดูดิเรามีการครอบครองทรัพย์ของเราแล้วก็สามารถแปลเขาขึ้นมาเป็นบุญได้ นี่จพูดเรื่องกฐินนัเนี่ย <laughs> <c oughs> ภาคบ่ายของวันนี้เราก็แป๊บเดียวนี่ไปบ่ายโมงกว่าเดียววันนี้ก็ไม่ต้องเดินนะนะเดี๋ยวจะนั่งสมาธิกันต่อคิดว่าไม่ง่วงอะง่วงไหม ะไม่ว้งกับตอนที่พูดนี่แหละเดี๋ยวตอนนั่งสมาธิเดี๋ยวรู้ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิกันเราก็มาสร้างความเข้าใจกันอีกว่าการที่เรานั่งสมาธิกันเนี่ยเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าว่าสมาธิสมาธิาธพิกเวภ า, าเวทะ ว่าจงเจริญสมาธิกันเถอะ่าท่าภูตังสมาอิโต่าถ้าภูตังปะชะนาติว่าเมื่อเป็นสมาธิแล้วจะทำให้รู้เรื่องราวตามความเป็นจริงต้องเข้าใจตรงนี้นะรู้ตามความเป็นจริงจิตที่ตั้งมั่นจะทำให้รู้ตามความเป็นจริง นั่นหมายความว่าการนั่งสมาธิของเราเนี่ยไม่ประสงค์อะไรเลยไม่ประสงค์อะไรเลยเพื่อให้จิตของเราตั้งมั่นเท่านั้นเองเมื่อเขาตั้งมั่นก็จะรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงคืออะไรรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันจะล่อยวางโลกที่ ที่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงเราก็จะยึดไว้เมื่อเช้าก็พูดแล้วจะไม่เรื่องโยคะที่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงเราก็ยึดไว้อะไรที่เราไม่รู้ตามความเป็นจริง <God. S 1> เราก็ยึดไว้ไฟ ไ, ไอไไ้ที่มาแรงเม้ามันบินเข้าไปกองไฟเพราะมันไม่รู้ตามความเป็นจริงขนาดมันบินเข้าไปนะปีกขาดบินไม่ได้แล้วตัวกระเด็นออกมามันยังคลานเข้าไปหาอีกเออเพราะมันไม่รู้ตามความเป็นจริง แต่เรารู้ตามความเป็นจริงของไฟว่าไฟมันร้อนไม่เราก็ไม่ไมเข้าใจเห็นปับ๊บหลีกใครเห็นกองไฟแล้วเดินเข้าหามั้งก็มีเหมือนกันแต่มันไม่ปกติเ อ, อมามนุษย์ปกติเห็นกองไฟปั๊บล้วก็ต้องเดินหลีกเดินลีกเพราะว่าเรารู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมพอรู้ตามความเป็นจริงเราก็ปล่อยวางได้โลกโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งขันห้าเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงเราก็จะเกิดการปล่อยวางได้ แต่อาตัวที่จะทำให้เรารู้ตามความเป็นจริงได้ถึงแก่นลึกมีกําลังมากพอที่จะให้มันรู้ตามความเป็นจริงในความเข้าใจในชั้นนั้นได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยจิตที่มีสติสมาธิและปัญญามากพอสมควรมีกําลังพอสมควรถามว่าสติสมาธิปัญญาของพวกเราตอนนี้มีไหมมีสติมีไหมมีถ้าไม่มีมาไม่ถูกหรอกการทาอะ สมาธิมีไหมมีถ้าไม่มีไม่ทนนั่งอย่างนี้หรอกปัญญามีไหมมีถ้าไม่มีก็คว้างไม่รู้เรื่องหรอกเออแต่สติสมาธิปัญญาที่เรามีอยู่มันไม่เพียงพอไม่เพียงพอมันเพียงพอสําหรับวางบางอย่างได้เช่นมันเพียงพอสําหรับที่จะวางอย่างเช่นเรารู้ข่าวว่าเครื่องบินตกที่อินโดนีเซียหนึ่งเป็หนึ่งร้อยแปดสิบแปดศพเราก็ แค่รู้สึกว่าโอ้ยน่าสงสารจังแล้วฟังก็เกิดการอะไรขึ้นก็ปล่อยวางปล่อยวางได้เพราะว่ารู้มันจบแล้วแต่ว่าไอ้นั่นคือใช้กําลังของสติสมาธิปัญญาของเราที่มันมีอยู่เพราะมันรู้อย่างนั้นมันปล่อยวางได้แต่ถ้ามันบอกว่าเอาสมมติเรานำํำนำตะกูลขอไข่ในนั้นมีคนไทยนำตะกูลขอไข่อยู่ด้วยวางได้ยัง <laughs> เริ่มหวังไม่ได้แล้วใช่ไหมเออเพราะว่าสิ่งที่เกิดมันเกินกําลังจากสติปัญญาสมาธิของเราที่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําอยู่เรื่อยๆคือการจเจริญสติฝึกฝนจิตภาวนาเพื่อให้สติสมาธิและปัญญาก็เรามีกําลังอยู่เรื่อยๆแล้วในความเป็นปุตุชนของเราพูดถูกเครื่องผูกทั้งห้าอยู่นั้น มันจะทําลายสติทําลายสมาธิทําลายปัญญาของเราที่มีอยู่ทุกครั้งที่มันเกิดความสําเร็จทางการคิดทุกครั้งท่านสังเกตเวลาท่านนั่งสมาธิเมื่อเช้าหนึ่งชั่วโมงห้าบ้านาทีนะห้าบห้านาทีนั่งห้าสิบห้านาทีอะ่ะพอเราอาตมาบอกว่าเอาออกจากสมาธิปั๊บเรายังรู้สึกนิ่งอยู่เลยใช่ไหมเรายังรู้สึกนิ่งเรารู้สึกอุเบกขาอยู่เลย ไอ้ความนิ่งและความเป็นอุเบกฐานั้นน่ะมันเป็นพื้นฐานในการที่จะทําให้จิตของเราเห็นสิ่งที่เป็นความจริงตามความเป็นจริงได้แต่พอเรามาใช้การคิดออกมาจากนั่นเสร็จแล้วเราก็มาการคิดของเราคิดโน่นคิดนี้ไหลไปเกิดเจตสิกเกิดดับเกิดดับเกิดดับเรื่องราวต่างๆเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปด้วยมันก็ทําลายความตั้งมั่นที่พอมีกําลังอยู่เล็กๆเลยน้อย ที่มีสติสมาธิปัญญาที่พอมีกำลังอยู่นั้นหมดหมดเกลี้ยงอันมันต้องทำอยู่เรื่อยๆทำจนมันทะลุออกไปทำทะลุออกไปก็หมายความว่าทะลุออกไปเข้าสู่ในชีวิตจริงอันใครมาบอกว่าไม่ต้องไปปฏิบัติหรอกไม่ต้องไปเจริญหรอกสติไม่ได้ไม่ได้ไไดในฐานะยิ่งในปัจจุบันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่ เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ตัวเองมาฝึกฝนเจริญจิตภาวนาเราก็ยิ่งตกอยู่ใต้อานาจของเครื่องผูกทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งหนักแล้เพราะเครื่องผูกในสมัยปัจจุบันมันไม่ใช่ผูกแค่ความอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะมันผูกด้วยทั้งซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์จริงๆด้วยโอ้ยมันผูกจริงๆมันมีเครื่องผูกเยอะมากที่เข้ามาทำให้ตัวกามา ย, ยคามีกาลังทวิคุณ มันมีเครื่องมือเข้ามาช่วยทำให้ภาะวะโยคะมีกาลังเพิ่มมาเป็นทวีคูณมันมีกาลังที่จะทาให้ทิฏฐิโยคะมีกำลังเพิ่มขึ้นมาเป็นตวีคูณมีมีมีเครื่องมือทำให้อวิชโยคะอวิชชาโยคะเนี่ยมีกำลังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนี่เราก็ยิ่งและโลกในยุคต่อไปนี่โลกในยุคต่อไปเราพูดถึงขนาดว่าต่อไปบนท้องถนนก็จะกลับหน้ามือไปหลังมือแล้ว รถราที่พวกเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันอีก5้าปีมันจะเปลี่ยนโฉมกันไปเป็นแบบไหนก็ไม่รู้มันจะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนี่ขณะนี้บริษัทองค์กรใหญ่ๆกำลังปรับปรุงที่จะเอาไอ้ไซบอกอะไรหุ่นยนตนะ์น่ะเข้ามาทำงานแทนคนใช้เครื่องกลเข้ามาคนก็จะเริ่มตกงานกันเยอะมาก เราคนก็จ ต, ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการที่จะอยู่กับโลกใบนี้ในสังคมนี้แบบแบบตื่นตัวนี่ไอพวกโยคะทั้งหลายแหล่ทำไงอะ่ะเออเราก็สังเกตว่าปัจจุบันพระมีจำนวนลดลงเพราะอะไรเพราะวิถีชีวิตมันบีบคั้นสูงมากมันสูงมากอันตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญา ที่มีกำลังพอที่จะทาให้เราให้เราไปรู้จริงเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยมันถูกริดรอนลงถูกปิดกั้นมากๆขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นและถ้าปล่อยไปอย่างนี้อีกหน่อยคำสอยของเราพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นอะไรอะจินตนาการอุ ด, ดมคติเป็นเรื่องราวที่โอ้ เรื่องทางจิตใจต่อไปก็จะไม่พูดถึงกันแล้วเด็กพอเดยงสาวพราะมันกลิ้งได้ก็โยนมือถือไปเครื่องหนึ่งโ อ, อ้สบายไม่มีไม่เข้าไปไม่ถึงจิตใจเขาแล้วปล่อยให้เขามีจิตใจที่อยู่กับสิ่งเหล่านี้เครื่องผูกเหล่านี้แล้วต่นหลังเราก็ต้องมารับชะตากรรมร่วมกันกับเขา แต่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ให้ราพระพุทธเจ้าชี้ไว้ให้เราถ้าเราจะเริญนจิตภาวนาฝึกฝนสติสมาธิปัญญาให้มันมีกําลังอยู่เรื่อยๆเราก็สามารถที่จะรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันมีความจำเป็นไหมที่จะต้องรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้มันจาเป็นที่สุด ทุกคนจะรู้และก็ตอบกันได้ว่ามันมีความสําคัญและจำเป็นที่สุดเหตุผลข้อเดียวที่เห็นชัดเลยว่าจำเป็นที่สุดตรงไหนตรงที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้ปัญหาเราจะต้องอยู่กับความทุกนี้ด้วยสภาพจิตที่เป็นสุขเราจะทําอย่างไรไม่มีตัวใดสมาช่วยเหลือเราได้ การที่อยู่กับสิ่งซึ่งมันเป็นทุกข์เนี่ยให้มันมีความสุขได้นอกจากสติสมาธิและปัญญาเท่านั้นและสติสมาธิปัญญาไม่มีเครื่องมือใดในโลกไม่มีเทคโนโลยีใดในโลกจะเป็นกี่จีกี่จีก็ตามในโลกนี้ไม่มีเครื่องมือใดที่จะมาสร้างให้ได้นอกจากใช้หลักการฝึกฝนเจริญเขาขึ้นมาปลูกเขาขึ้นมา ให้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องฝึกจิตถ้าเราเข้าใจอย่างนี้สร้างความเข้าใจให้กับตัวเราอย่างนี้ที่ไหนก็เปิดเป็นหลักการปฏิบัติฝึกฝนจิตไปไปเลยแล้วก็ดูให้ดีว่ามันเอื้อต่อสติเอื้อต่อสมาธิเอื้อต่อปัญญาไหมถ้าดูแล้วมันลึกลับเน้นอัจฉริย์เน้นอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็ต้องเน้นสติ เอื้อต่อสติเอื้อต่อสมาธิเอื้อต่อปัญญาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เอาอันนั้นเราฝึกฝนให้มากจนในที่สุดแล้วเรากลับไปอยู่บ้านในชีวิตประจําวันของเราจิตเราก็มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักนี่จิตที่ไม่ฝึกจะไม่มีเครื่องอยู่หลักที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอัจฉริยปสมาหิโต อัศตังสมัยตกวจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นภายในภายในก็คือกายเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐานอันใดอันหนึ่งเนี่ยลมหายใจเอยการรู้ตัวเอยหรือในที่สุดแม้แต่พุทโธก็ยังได้อยู่อารมณ์มันเป็นภายในมันเป็นแบบไหนอ่ะมันไม่มีตัณหามานาทิฏฐิมันไม่มีตัณหามานาทิฏฐิ คือมันเป็นอนิสิตามันไม่มีอภิชามันไม่มีมันไม่มีโทมานนะัทไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความดีใจไม่มีความเสียใจอยู่ในอารมณ์นั้นๆเกาะจิตเกาะดูรู้อยู่เฉยๆสามารถวิ่งกลับมาอยู่ได้จิตอยู่กับลมหายใจยกตัวอย่างอนาปาธิติที่เราทั้งหลายกําลังปฏิบัติอยู่จิตมีอารมณ์คือลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักพอมันเป็นเครื่องอยู่หลักปับ๊บเมื่อเราอยู่ในชีวิตปกติจะไปกวาดบ้านก็กวาด จิตถูกส่งออกไปด้วยสติเพื่อดูความรอบครอบเรียบร้อยให้มันสะอาดกว่ากวาดกวาดรู้ภาวะที่ตัวเองกำลังปัจจุบันอา้าวเสร็จแล้วมันไม่ไปไหนถ้าเป็นจิตโดยทั่วไปมันก็จะไหลไปหาเสื่องคือเกาะเพื่อเป็นเครื่องอยู่แต่จิตของเราที่ฝึกมาอย่างต่อเนื่องพอเสร็จตรงนั้นมันก็วิกลับมาที่ลมหายใจเออทีนี้มันก็จะทาอะไรต่อซักผ้ามันก็เข้าไปถึงปั๊บก็เก็บผ้า จากตะกร้าพาไปที่เครื่องซักผ้าจะทําอะไรต่อมันก็รอบคอบละเอียดรัดกลมเรียบร้อยไม่ใช่คาอยู่เป็นชิ้นๆนึงๆ น, น, น, น, นึ่นไม่ใช่พอเรียบร้อยเสร็จแล้วไปไหนจิตกลับมาอยู่เครื่องอยู่หลักก็คือลมหายใจพอกลับมาอยู่กับเครื่องอยู่หลักลมหายใจเนี่ยไม่มีไม่มีอกุศลใดๆเข้ามากรีด ก, กลํากไายเข้ามาได้เลยเพราะว่ามันเป็นอนิสิตา นี่คือชีวิตปกติเราก็ต้องทําให้ได้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นการต่อยอดการปฏิบัติของเราทุกการเคลื่อนไหวในโลกนี้ไม่ว่าจะที่ทํางานครอบครัวอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่ทํางานไปไหนนอกบ้านขับรถบนถนนล้วนแต่เป็นเครื่องการต่อยอดการปฏิบัติของเราทั้งสิน้นเพราะคราใดที่จิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักนั่นคือการปฏิบัติของเรา แล้วมันจะแข็งแรงมันจะเชี่ยวชาญมันจะชำนาญเป็นอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนบ้านของเราบ้านหลังหนึ่งของเรา เ, ออเรามีหน้าบ้านเรามีห้องรับแขกเรามีห้องครัวมีห้องน้ามีโน่นนี่นั่นเราก็ไปถึงคราวห้องน้ำก็ไปถึงคราวโน่นก็ไปถึงคราวนั่นก็ไปถึงเวลาหนึ่งเราก็ไปไหนห้องนอนห้องนอนคือห้องอยู่หลักห้องนอนคือที่อยู่หลัก เพราะเราจะไปไหนไปไหนไปไปไเสร็จแล้วเรากลับไปไหนห้องนอนพอตื่นเช้าขึ้นมาเริ่มต้นใหม่เอาไปหน้าบ้านไปไหว้เจ้าที่มั่งไปอ่างครัวมั่งไปนู่นนี่นั่งเสร็จแล้วเรากลับไปไหนห้องนอนเพราะห้องนอนเป็นเครื่องอยู่หลักถ้าไม่มีห้องนอนเราทาไงอ่ะมันบ้าได้เลยไม่มีเครื่องอยู่หลักใช่ไหมอ้าวก็ไปอยู่ประเภทอยู่นั้นเราไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันที่นอนห้องนอนคือเครื่องอยู่หลักห้องอยู่หลักของเรา นั้นเราก็ต้องฝึกจิตของเราให้มีเครื่องอยู่หลักเครื่องอยู่หลักที่เป็นอัด ช, ชัดตังที่พระเจ้าว่าอัด ช, ชตังสมาตโตก็คือว่าเป็นเครื่องอยู่หลักอันเป็นภายในนั่นนะถึงจะเป็นเครื่องอยู่หลักได้เครื่องอยู่หลักอันเป็นภายในนั้นมันจะเป็นกลางอันเป็นภายในคือสติปัฏฐานสี่หลักกายเวทนาจิตธรรมเราพูดกันถึงเรื่องง่ายที่สุดคือลมหายใจให้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลัก ทำไปเถอะวันหนึ่งอะ่ะทาอะไรก็ได้อาจา์มานี่แบ่งชีวิตตัวเองไว้เป็นาสามช่วงเวลาสามช่วงเวลาอ่าทุ่มครึ่งเริ่มนอนอย่าเอาอย่างนะ้้พวกครอบครัวทำไม่ได้ทุ่มครึ่งเริ่มนอนเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งตื่นนั่นคือเวลาเวลาของร่างกาย ก็ตีหนึ่งถึงหกโมงเช้าเป็นเวลาของตัวเองจะทําอะไรจะทำอะไรอะไรต่างๆอยู่ที่ช่วงตีหนึ่งถึงหกโมงเช้าหกโงเ้าถึงหนึ่งทุ่มเป็นเวลาของคนอื่นเวลาของคนอื่นแล้วก็จริงๆด้วยบางทีมันกินเวลาของเราก็ไปด้วยนะไอเวลาคนอื่นเนี่ยแต่พอทุ่มครึ่งเนี่ยเริ่มแล้ว นอนอย่าว่าเห็นแกนอนก็นแลนะ้แต่ว่าเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งตื่นจากตีหนึ่งลงมาถึงหกบงเชา้านั่นเป็นเวลาที่เราจะทำอะไรทำาัอยจะอ่านนั่งซือจะโน่นนี่นั่นทำอะไรก็ได้ทำวันตอนนั้นทนะีหนึ่งถึงหกวงเช้าหลังจากหกบ่งเช้าแล้วก็เป็นเวลาของคนอื่นเดี๋ยวช ม, มาทมาบ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวคนนนมั่งเดี๋ยวคนนี่มั่งเดี๋ยวคนนอมั่งเดี๋ยวเขาหนีวนไปนอนเดี๋ยวเขาหนีวนไปนี่ก็สุดแท้แต่ใครจะพาไปไหนเพราะว่าเพราะว่าเป็นเวลาของคนอื่นนี่กาลังบันทึกบันทึกใช้โทรศัพท์บันทึกปัจจุบันเนี่ยก็บันทึกบันทึกแต่เรื่องราวของคนอื่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการดูแลขันห้านี้เราจะต้องทุ่มเทให้มันชัด เจนกับตัวเราเองนะถ้าเราไม่ฝึกจิตภาวนาไม่ฝึกจิตภาวนาเนี่ยสติสมาธิปัญญาไม่พอนะมันจะบริหารขันหน้านี้ไม่ได้ถ้าบริหารขันหน้านี้ไม่ได้แล้วจะไปบริหารอะไรอะที่นี้ไม่สามารถทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นในเรื่องการเจริญจิตฝึกสติ เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําให้มันต่อเนื่องทําจนมันทะลุอะทะลุอะไรทะลุสมาธิหมายความว่าสติมันก็เป็นออโตเมติกสมาธิมันก็เป็นออโตเมติกปัญญามันก็เป็นออโตเมติกคือไม่ต้องฝึกแล้วเพราะจิตมีเครื่องอยู่ถาวรจิตนะมันมีเครื่องอยู่ถาวรลนะ้วเขามีเครื่องอยู่ถาวรแล เครื่องอยู่ของก็เองอย่างถาวรแล้วความคิดแต่เดิมถ้ามีสติอ่อนๆเนี่ยความคิดเนี่ยจะเป็นโมเดลของอารมณ์ฟังคานี้ไว้นะสมัยใหม่ <c ười> คือความคิดก็จะเป็นโมเดลของอารมณ์ <c ười> จะถูกพวกอาสวะนี่แปรุงแต่งออกมาเป็นลูกของความคิดเพราะนันผิดถูกบุญบาป ก็ขึ้นอยู่กับพุ้นฐานของมันโดยนั้นแต่มันจะไปสุดทางอยู่ที่ทุกแต่เมื่อสติสมาธิและปัญญาที่เราฝึกฝนอย่างที่เราทํากันอยู่เนี่ยไปเรื่อยเเรื่อยเเรื่อยเรยต่อยอดมันไปเรื่อยเอยความคิดเหานั้นจะเป็นโมเดลของสติเหมือนลูกฟุตบอลที่อยู่ที่เท้าของนักฟุตบอลที่มีฝีมือ เหมือนลูกฟุตบอลที่อยู่ที่เท้าของลูกนักฟุตบอลที่มีฝีมือบางทีเราดูดก็งงใช่ไหมเฮ้ยมันเก่งเนาะมันก็สามารถเอาลูกฟุตบอลอยู่ที่เท้าของมันเนี่ยก็ไปผาคนตั้งเก้าคนสิบคนผ่าก็ไปผ่าก็ไปเข้าไ ป, าาไปาแล้วก็สามารถเตะเตะลูกฟุตบอลออกจากเท้ามันเนี่ยกำหนดได้ด้วยว่าให้เข้ามุมน้นให้เข้ามุมนี้ให้ลอดหว่างขาอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําได้เพราะว่าลูกฟุตบอลมันอยู่มันเป็นอะไรมันเป็นโมเดลของนักฟุตบอล มันไปตามกําลังของฝีมือของนักฟุตบอลนั่นนะเหมือนกันเมื่อใดที่สติเราแข็งแรงใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรความคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของสติแล้วคิดดูสิเพราะอย่างนี้ท่านจึงบอกว่าจิตที่ฝึกแล้วจะให้ผลสามประการ หนึ่งวิปาริสุทโธอะไรอะสมาฮิโตและโอ้ยไม่มีปพวกเลยว่ะเพราะอย่างนี้จิตท <ations> ี่ฝึกแล้วจะให้ผลสามอย่างหนึ่งปาริสุทโธสองสมาฮิโตสามกามนิโยเออว่ามันสมควรนะเดี๋ยวไปกู เจ็ดั้นกาแฟแกประจำประจำเลยหน <laughs> หนึ่งบริสุทธิ์โทคือจะพองใสบริสุทธิ์อืมไอบริสุทธิ์นี่จะไปมอง ม, มันเยอะว่าจพองใสบริสุทธิ์ผู้บอกว่าโอ้ยอลังการอะไไม่ใช่บริสุทธิ์คือหมายความว่าเจตนากับการกระทําเนี่ยมันตรงกันเข้าใจไหมเจตนากับการกระทำเนี่ยมันตรงกันมันจึงบริสุทธิ์ สวัสดีค่ะสวัสดีครับการกระทําคือสวัสดีค่ะสวัสดีครับใจไม่เป็นเรียกว่าไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือเจตนากับการกระทํามันตรงกันรักก็รักจริงคารพก็คารพจริงนับถือก็นับถือจริงเออเนี่ยเจตนากับการกระทํามันตรงกันนี่เบื้องต้นของความบริสุทธิ์สมัยโต คือตั้งมัน่นหนักแน่นมัน่นคงตัวสุดท้ายากรรมนิยโยคือคล่องแคล่วว่องไวเหมาะกับการใช้งานที่สุดเนี่ยคิดดูที่เราควรจะฝึกมันไหมล่ะตั้งแต่เด็กรู้เลียงสาขึ้นมาก็สมควรแล้วที่ไงเขาเรียนรู้เรื่องการเจริญสติ เด็กๆควรจะฝึกยังไงนักรมายังคิดด้วยซ้าว่าเด็กๆ เ, เนี่ยควรจะมีวิชาให้เขาจดหัดจดความคิดของตัวเองควรจะมีวิชารงวิชาหนึ่งทักาบเรียนหนึ่งอะทาบเรียนต้องกลับไปถึงให้เขา อ, อยู่นิ่งๆแยกกันหมดเลยทุกคนอยู่กับตัวเองให้สมุดไว้เล่มหนึ่งปากกาเล่มหนึ่งคอยจดนะว่าความคิดของตัวเองเป็นยังไง ไอ้อย่างนี้เราจะทำเขาเข้าไปสู่โลกของตัวเองเข้าไปถึงโลกของตัวเขาเองนั้นถ้าจิตเบิกฝึกแล้วเนี่ยบริสุทธิ์ตั้งมั่นมั่นคงแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวเหมาะกับการใช้งานมีผู้เปรียบว่าไอ้บริสุทธิ์นี่เปรียบเสมือนศักยภาพ ไอ้ตั้งมั่นนี่เหมือนกับเสียราพาถรีรภาพแล้วก็ไอ้อีกอันนึงอ่ะคือคุณภาพดยเีพจิตจิตที่มีคุณภาพจะดีไม่ดียะจิตที่มีสถีรภาพดีไม่เดียจิตที่มีสกิรยาภาพดีไม่เดียเออดีไหมเพราะฉะนั้นไม่หาที่ไหนได้นะหาจากที่ไหนไม่ได้ โลกนี้เมื่อตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่สามารถหาได้ศาสนาทุกศาสนาลทัทธิทุกลัทธิที่เกิดขึ้นมาในโลกเพื่อต้องการสิ่งเหล่านี้แต่เขาไม่รู้ผู้ที่เป็นเจ้าศาสดาก็ดีเต็มไปด้วยโยคะทั้งสี่สุดท้ายโดยเฉพาะอาวิชชาโยคะแต่ปรารถนาสิ่งนี้แต่ไม่สามารถพบได้ไม่สามารถรู้ได้ไม่สามารถเจอได้แต่มาถึงยุคที่มี ผู้หนึ่งขึ้นมาเป็นพระพุูธเจ้ารู้ในสิ่งนี้นำมาเปิดเผยมันจึงมีการพูดกันเห็นอัตมาพูดมันง่ายง่ายงายใช่ไหมยอมฟังก็ง่ายง่ายๆแต่กว่าจะได้นำมาพูดกว่าจะได้มาฟังกันอย่างเงี้ยมันยากเย็นแสนเข็ญเพราะต้องอาศัยคนคนหนึ่งที่ต้องทำตัวเองฝึกฝนจนเป็นพระพุูธเจ้าขึ้นมามความรู้พวกนี้เราจะต้องเข้าใจในฐานะคนนับถือศาสนาพุทธ ไม่สามารถที่จะไปรู้ได้จากที่อื่นเลยแล้วในถ้ำกลางของทะเลแงวัดตะในความหลงในสงสารในทะเลวัดเอาความเวียงวนในสงสารเนี่ยการเวียนไหวตายเกิดเนี่ยในความรักความโลภความหลงในความรักความชังทั้งหลายแหละที่เรามีอยู่ในทะเลเหล่านี้ที่ดำผุดดำไหวกันอยู่มันมันมองไม่เห็นน่ะมันมืดนอกจากมืดแล้วมันมันบอดด้วยอืมนอกจากมืดแล้วมันบอดด้วย ไม่สามารถนะแต่พระพุทธเจ้ามาถึงก็จุดไฟขึ้นสองสว่างในที่มืดชี้ทางในเส้นทางของคนที่คนหลงก็คือสอนความรู้พวกนี้เราฟังดูหลวงพ่อพูดด้ยง่ายนะมันง่ายก็เพราะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีทางไม่สามารถเพราะนั้นลัทธิศาสนาทั้งหลายที่เกิดมาต้องการสิ่งนี้ เพื่อความเป็นอิสรภาพเพื่อความมีเสรีภาพเพื่อความมีสันติภาพเพื่อความดบริสุทธิ์เพื่อความตั้งมั่นเพื่อความคล่องแคล่วว่องไวต่อการใช้งานในสุดเพื่อความพ้นทุกข์เขาต้องการอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะแต่เขาไม่รู้ไม่รู้กรดมโงมกันต่อไปบัญญัติกันไปว่ากันไปยึดลหลงไหลกันไปแต่พระพุทธเจ้ารู้เสร็จนํามาเปิดเผยแล้วก็เรงคนพูด นับถือพระเจ้าต้องเข้าใจและเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เราะนั้นจะต้องรู้ว่าการเจริญสติของเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหลักเป็นเรื่องที่เราจะต้องกระทำและต้องกระทำเดี๋ยวนี้ต้องกระทำเวลานี้ต้องกระทำตอนที่เราหายใจเข้าหา ย, ายใจออกแล้วรู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่ไม่ตายทำเลยผลัดวันประการพรุ่งไม่ได้เพราะเราไม่รู้นี่ในที่สุดแล้ววัตถุบงกลนชิ้นหนึ่งราคา30กว่าล้านช่วยได้ไห ไม่ได้อะยะแป๊บเดียวก่อนนั้นหานาทีสิบนาทีเป็นประธานในสโมสรใหญ่เดินลงมามีคนเข้างตตตตปั๊บเดินขึ้นไปปุ๊บเดียวตกมาเแล้วมันยิ่งกว่ายือนอยู่บนเส้นได้อีกมันประมาทได้ไหมไม่ได้นี่ปลุกปลุกปลุกปลุก ว่าควางอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เ, ย ว, เวลานั่งสมาธิเจริญสิอย่าหลับนะถ้าหลับนี่ถือว่าอาจารย์สอนไม่ถูก <c oughs> เสียชื่ออาจารย์หมดเอาและได้เวลาสำคัญ <c oughs> <c oughs> ทั้งตัวให้ตรงทำใจให้โปร่งให้สบายสบายไม่ต้องไปบีบคั้นมันมากเราแค่ รู้ลมหายใจของเราเป็นพอลมหายใจของเรามันก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนไกลมันก็ข้าวออกข้าวออกทางช่องจมูกของเราเราก็แค่รู้เขาแต่จิตเราไม่ได้รู้ลมหายใจมันก็ไปรู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เรารู้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักเป็นเครื่องรู้หลักเป็นสิ่งที่ถูกรู้หลัก ในขณะที่เรารู้ลมหายใจถ้าเขาไปหลุดไปรู้เรื่องอื่นเราก็อย่าไปซีเรียสมันมากแค่ดึงกลับมารู้ลมหายใจเท่านั้นเพราะว่าเครื่องอยู่หลักของเราอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็แรกแรกะ แ, แรกแรกเพื่อให้เกลียวของการรู้แยกชัดเจนให้ประคองลมหายใจยาวๆไว้กลางๆยาวๆสักยี่สิบสามสิบรอบลมหายใจยิ่งดีประคองไปเรื่อย แล้วอย่าไปบีบคั้นอย่าไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาอย่าไปเกิดความรู้สึกบีบคั้นว่า น, นี่มันกี่นาทีแล้วใกล้จะจบยังเงีย้ยถ้ามันเกิดอย่างเงี้ยแสดงว่าจิตมันหลุดออกจากลมหายใจแล้วแล้วก็เกาะลมหายใจไปเรื่อย <c oughs> นั่งปับถ้ามันเกิดมันเมื่อยมันเจ็บมันปวดก็ไปดูรู้เวทนาตัวนั้นรู้เสร็จแล้วก็วางไว้ที่มันเกิดยกจิตกลับมารู้ลมหายใจใชักถ้าเวทนาที่มีกำลังอ่อนๆมันก็จะผ่านไปถ้าเวทนาที่มีกำลังหนักๆ มันจะก็เกิดขึ้นอีกดูถ้าว่ามันหนักไม่ไหวแล้วก็ใช้สติคือรู้การเคลื่อนเปลี่ยนวิริยบทเสียขยับไปนิดนิดหน่อยหน่อยขยับแต่ว่าเวลาขยับต้องมีความรู้ตัวเสมเอ เอแรงใจยกขึ้นมาใส่ลงไปที่ลมหายใจของเราให้จิตมันรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าดูถ้ามันอึดอัดนะักก็หยุดลมหายใจเสียแล้วก็พิจารณาจังหวะที่ลมหายใจมันหยุดเรียนรู้ศึกษาการหยุดของลมหายใจของเราว่ามันเป็นอย่างไร ไม่ต้องหาผลจากความรู้มากนักแค่รู้ว่าการหยุดของลมหายใจมันเป็นอย่างไรและจากนั้นเราก็ปล่อยลมหายใจให้เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกตามปกติพร้อมจิตที่รู้การรู้รอบลมหายใจกลางๆยาวๆ มันจะทาให้จิตที่รู้ลมหายใจของเราชัดเจนขึ้นพอผ่อนลมหายใจให้มาเป็นปกติลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นปกติจิตรู้จะแยกชัดจากลมหายใจได้คำบริกรรมต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นถ้าจะเกิดขึ้นก็ให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ใช่กำหนดให้มันแรงประลมหายใจ ถ้าคำบริกรรมที่เรากำหนดขึ้นมาแรงกว่าลมหายใจมันก็จะไปอยู่ที่คำคาบริกรรมหมดจิตที่รู้ก็เลยไม่มีมีแต่ความกำหนดนั่นเราก็กำนต้องรู้ลมหายใจให้ได้ก่อนรู้อย่างหนึ่งลมหายใจอย่างหนึ่งที่ตั้งของจิตที่คอยดูรู้ลมหายใจอยู่อย่างหนึ่งแต่ถ้ามีคำบริกรรมที่เราเคยปฏิบัติ มาตลอดมันโผล่ขึ้นมาจะเป็นพุโทโธหรือคำว่าหนอมันปรากฏขึ้นมากับลมหายใจสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นบริกรรมนั้นมันจะต้องมีความเบาเบา ก, ากว่าจิตที่รู้ลมหายใจเพราะเมื่อเป็นอย่างนี้ภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปเรื่อยๆคำบริกรรมก็จะหายไปเพราะมันเป็นอารมณ์หยาบมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสติปัฏฐาน ไม่ใช่กายยคตาสติพอคําบริกรรมหายไปนี้ก็เหลือเฉพาะจิตที่รู้กับลมหายใจที่ถูกรู้ก็ดูไปก็รู้ไปและไม่ไป ไ, ไม่มีความพยายามที่จะไปเอาคําบริกรรมมาเติมมาใส่เมื่อตอนที่เหลือเฉพาะจิตรู้กับลมหายใจที่ถูกรู้ จะเกิดความม่วงขึ้นมาอย่าปล่อยให้ยืดกายให้ตรงใช้คาถาพระพุทธเจ้าอูชุงกายยังปาณิทายะอูชุงกายยังปาณิทายะตั้งกายให้ตรงพอเกิดความง่วงความเคลิ่ขึ้นมาจิตที่รู้ลมหายใจของเรามันจะอ่อนลงไปมันจะไหลเคลื่ลงไปให้ยืดกายให้ตรงขยับกระดูกสลังให้ตั้งฉากกับพื้นให้ได้แล้วก็หันมารู้ลมหายใจอีกต่อไป เรายืดกายทีหนึ่งความห่วงก็จะหายไปครั้งหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นอีกเราก็ยืดอีกเกิดขึ้นอีกเราก็ยืดอีกสู้กับมันอย่างนี้มันยึดครองจิตใจของเรามันเืินนานเหลือเกินแล้วอยู่ในทะเล ข, ของมันวันนี้เราจะยึดพื้นที่ใจของเราคืนจากมันถ้าเรายังไปยอมมันอีกเราก็จะพ่ายแพ้เขาเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันมีความเคลิ้มเกิดขึ้นรู้ตัวเสร็จยืดกายให้ตรงพอยืดกายให้ตรงมันก็จะหายออกไปแล้วเราก็เริ่มตั้งความเพียร เ, เรียกว่าอารทะวิริยะเนี่ยการเริ่มตั้งความเพียรเนี่ยเป็นคุณสมบัติของนักภาวนาหมายความว่าไม่ยอมตามกิเลสตัณหาไม่ยอมตามอํานาจของนิวรณพอกําจัดมันออกไปก็เริ่มตั้งความเพียรกําจัดมันออกไปก็เริ่มตั้งความเพียรกําจัดมันออกไปก็เริ่มตั้งความเพียรอย่างนี้มันจึงจะรู้กันได้ ขนที่จิตเรากำลังเกาะรู้อยู่กับลมหายใจให้ต่านทั้งหลายระลึกตามคำพูดในการที่จะแผ่เบตตาเพื่อเป็นมหากุสลให้กับจัปัสสัตว์เบื้องต้นตั้งแต่ผู้มีพระคุณของเราผู้เป็นญาติและ เทพยดาตลอดจนถึงสปปรรพสัตว์ทั่วไปให้ใช้จิตรู้ที่รู้ลมหายใจนั้นมาน้อมนำลึกถึงบุญต่างๆที่เราได้ร่วมกันทําในวันนี้บุญอันแรกที่เกิดซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราได้น้อมกราบพระรัตนตรัยจากนั้นตั้งสัจจะปฏิญญาณสมาทานศีลห้าประการ ที่เกิดจากศีลจากนั้นบุญที่เกิดจากการวังธรรมะในช่วงเช้าเป็นธรรมะตะวนใหม่ <c oughs> และบุญที่เกิดจากการให้ทานเป็นอาหารขาวหวานต่อพระภิสุและเป็นทานสงเคราะห์ที่เอื้อเฟือ้อต่อผู้มาปฏิบัติด้วยกันบุญที่เกิดจากการขวนขวาย ที่พวกเราได้ช่วยกันจัดดูแลสถานที่ต่างๆบุญที่เกิดจากการให้ความเคารพยกย่องนับถือผู้มีอายุผู้อาวุโสกว่าตนที่เราได้ยกกราบมือยกกราบยกไหว้กันอยู่บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิ จเจริญจิตภาวนาในช่วงเช้าหนึ่งชั่วโมงบุญที่เกิดจากการขังธรรมในภาคบ่ายบุญที่เกิดจากการจเจริญจิตภาวนาอีกในภาคบ่ายนี้รวมบุญทั้งหมดเหล่านี้เป็นกำลังแห่งมหาบุญกุศลตั้งขึ้นอยู่ที่ใจของเราใจของเราประมาณว่า ตั้งอยู่บริเวณช่วงอกพลังแห่งบุญนั้นตั้งอยู่ช่วงอกของเราแผ่ออกไปให้กระจายออกไปอย่างมีกำลังเพื่อเข้าไปสู่ผู้มีบุปผารีของเราผู้มีพระคุณของเราที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นวิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหาย ให้กระจายออกไปด้วยบุญนี้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดขอให้เป็นพลังแห่งบุญเปลี่ยนเป็นปัจจัยแห่งทิพยะสมบัติให้ท่านสวยสุขอยู่ในภพภูมิของท่านที่ท่านอยู่นั้นและให้เป็นกำลังเป็นปัจจัยในการที่จะส่งให้ท่านได้มีโอกาสเจอกับพระรัตนไตรมีโอกาสได้ปฏิบัติตามหลักคาสอนของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าและดาเดินชีวิต ต, ต่อไปให้ถึงซึ่งพระนิพพาน จากนั้นก็ยกจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกรู้และก็น้อมบุญกุศลทั้งหมดที่มีอยู่ให้ตั้งอยู่ที่ใจนั้นด้าแผ่กำลังแห่งบุญนั้นออกไปให้ผู้มีอุปกรารคุณเหล่านั้นที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าเป็นพ่อแม่บิดามรรดาครูบาอาจารย์ ผู้ที่มีอุปการะคุณต่อเราขอกำลังแห่งบุญเหล่านี้เป็นปัจจัยส่งผลให้ท่านนั้นนั้นมีโอกาสเปิดจิตเปิดใจใกล้ชิดพระรัตนตรัยมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเห็นโทษภัยแห่งวัฏฏะสงสารมีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอบุญนี้เป็นกาลังสาคัญ ให้ท่านเหล่านั้นได้สะสมบุญเป็นของตนเองเพื่อถึงที่สุดแองกามพ้นทุกข์และน้อมจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าออกรู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้จากนั้นให้พวกเรายกมือขึ้นประดมมือไว้แล้วก็ว่าตาม สเปัตาสัทธาโหนตูอเวราสุขชีวิโดขอบวงสัตยังไลยจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน จำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด ก, กะตั้งปุญญังพลังไม่หังสับเบพาคีพระวันตุเตระตั้งปุญังพลังห่สับเบพภากีพระวันตุเตขอสัตว์ทั้งสินนนสงส้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วน แห่งบุ ญ, บญอันข้าพระเจ้าบำเพ็ญแล้วนั้นเถิด เ, เ, เ, เอามือลงลืมตาได้อนุมโมทนาภาคไบจบบริบูรณ์นะตั้งใจรับพร <c oughs> ยะถาวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสากรังเอวเบวะอิโตทินนางเปตานางอุปกะปาติอิจิตังปฏติตังตุมหังคิปะเบวะสามิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยะถามานิโชติระโสยะทา อภิวาทะนาสีลิสานิจังวุฒาปจายิโดจัตารุธรรมาวัตตันติอายุวันโดสุขขังภะลังอายุทโทปรลโดทีโรวันนันโดปฏิพาณโดสุขัสสะทตาเบทาวีสุขขังโซอธิคัตจิติอายุงทัตวาพลังวันนั่งสุขขันจะปฏิพาณโด ดิคายยยัสวาโฮติย ah ัทยถูปป an ัปัจติเตกัตตลัทธาสุกิตาวิรุฬหมพุทธะสะสนเดออโรคาสุกิตาโฮทะสังสะพเพหิยาติพิชยสิทธิธน่งลาพังโสที่ภะกยังสุขังพลัง สิริอายุจะวันโดจะโภคังวุธีจายัศวาสตวัตสาจงอายุจะชีวะสิทธีพระวันตุเตสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต